hmm ที่จะคุกคามชนิดที่ทาร้ายร่างกายหรือว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตเนี่ยสันเทสสัญชาติญาณคนเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองอย่างนะก็คือไม่สู้ก็หนีและร่างกายเรามันก็พร้อมที่จะตอบสนองสัญชาติญาณ น, นี้นะเช่อเวลาเราเจอเจอสัตว์ร้ายจะเป็นสัตว์ใหญ่เช่นช้างซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยได้เจอละเสือนะหรือแม้แต่หมาที่ กำลังจะมาไล่หรือเห่าเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการตอบโต้ทันทีเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะสู้หรือหนีได้อย่างทันท่วงทีเช่นหัวใจเต้นเร็วสูบฉีดโลหิตเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อให้พร้อมที่จะทำงานได้ฮอร์โมนต่งตางๆก็หลั่งไหลออกมาอย่างรวดเร็ว <c oughs> นะเพื่อให้เราพร้อมที่จะสู้หรือหนี ถ้าเป็นสัตว์ร้ายตัวใหญ่นะหรือแม้แต่เป็นคนร้ายนะก็อาจจะหนีแต่ถ้าหนีไม่ได้ก็สู้นะบางทีไม่ต้องหนีอะเพราะตัวมันเล็กนะเช่นมดมแมลงยุงเนะี่ยก็ไม่หนีอนะตอบเลยหรือบี้เลยอันนี้ก็เป็นการสู้ชนิดหนึ่งไอสัญชาตญาณแบบนี้หรือว่าปฏิกิริยาแบบนี้มันก็ทำให้คนเราเนี่ยสามารถจะเอาตัวรอดนะหรือว่าปลอดภัยได้ มาเป็นเวลาเรืองเป็นแสนแสนปีเนี่ยเรารอดได้นะสืบเผ่าพันกันมาจนถึงตัวนนี้ก็เพราะสัชาติยานสองอย่างนี่แหละสู้กับหนีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะสู้ก็ไม่ได้จะหนีก็ไม่ได้หรือว่าสู้รื้อหนีก็ไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะช่วยทําให้ปลอดพ้ยจากอันตรายได้บางทีมันก็ต้องอาศัยวิธีการนะที่ ไม่สู้แล้วก็ไม่หนีนะก็คือนิ่งหลวงพ่อรีธรรมธโรนะหรือว่าที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าท่านพ่อรีเนะี่ยผู้สร้างวัดอโศกา ร, รามท่านเคยเล่าว่าสมัยที่ทุด ง, งไปในป่าลึกนะก็ไปเจอพ่อเท่าแม่เท่าคู่หนึ่งมีอาชีพาของป่าแล้วพ่อเท่าแม่เท่าก็เล่าฟังว่ามีคราวนึงก็ไปหาของป่ากำลังหาอยู่เพลินเลก็เจอหมี มีมัม า, ม า, มาประชิด ต, ตัวแม่เท่าเนี่ยหนีได้ทันนะวิ่งขึ้นต้นไม้ตอนนั้นนี่ถึงแม้แก่ไงมันก็มีเลี้ยมีแรงนะเพราะว่าสัญชตาตญาณเนี่ยทอมวลต่างๆก็ทํางานทันทีไม่เคยปีนต้นไม้ได้ก็ขึ้นสามารถขึ้นต้นไม้ได้อย่างรวดเร็วแต่เพราะเท่านี่หนีไม่ทันจะทาําไงก็สู้เลยนะแต่มีตัวใหญ่มากนะสู้ก็สู้ไม่ไหว นะทำท่าจะเพียงพลําเอาไม่อยู่แล้วแม่เท่าก็ตะโกนมาจากบนต้นไม้ว่าเนี่ยให้แก้งทําตัวเป็นตายพอเท่าได้สตินะแกก็ล้มตัวลงนอนเลยนอนแผยหลาเลยมีนี่มันก็ทีแรกก็ไปไปคล่อมนะเอามือเอามือเอาเท้าเนี่ยนะเรียกว่าพลิกตัวพลิกตัวไปพลิกตัวมาพลิกตัวเพ่าะเ่านะ พอเท่าแกก็ยอมไม่พลิกไม่ยอมอไ ม, ไม่ไม่สู้ไม่ขัดขืนทําตัวอ่อนเลยมีมันก็นึกว่าพอเท่าตายแล้วมันไม่ใช่สัตว์กินคนเนนะไม่ใช่สัตว์กินเนื้อพอเห็นหรือเข้าใจว่าคนตายแล้วมันก็พระหนีไปก็เป็นนันว่าพอเท่านีนะ้รอดตายได้ตอนนั้นแกเล่าว่าเนี่ยมันก็กลัวนะกลัวแต่วก็พยายามสะกดอารมณ์เอาไว้หายใจพุโทโธหายใจ เพราะว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยสัญชตาตญาณนะนะเจออันตรายนี่มันต้องสู้หรือหนีนะไอ้จะให้อยู่นิงน่งๆนอนนิงน่งๆมันทำไม่ได้นะแต่ว่าในภาวะฉะนั้นเนี่ยให้การแก้งตายเนี่ยดีที่สุดนะการอยู่นิงน่งๆอะ่นะจะทำให้ปลอดภัยได้สุดท้ายก็รอดชีวิตมาได้นะเพราะว่าไม่สู้แล้วก็ไม่หนีนะแต่ว่าอยู่นิงน่งๆซึ่งต้องอาศัยสติมากนะในการที่จะคุม ไอสัญชัตติยานด้วยเพาความกลัวเนี่ยนะเพรากลัวทิไหลมันก็อยากจะหนีนะแต่มันหนีไม่ได้หนีไม่พ้นนะก็ต้องนิ่งเอาไว้เพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเล่านะสมัยที่ยังสาวๆเนี่ยไปไว่ายน้ําอยู่แถวไปเล่นน้ำไปแถวระ ย, ยองก็กำลังว่ายน้ําอยู่บ น, นนะเพลินเขาปรากฏว่าสังเกตว่าถูกคลื่นเนี่ยมันซัดออกห่างจากฝั่งไกลออกไปเรื่อยๆจะตกใจมากเลยตอนนั้นแกไม่รู้ว่า ไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยมันมีก็เรียกว่าคลื่นทะเลดูดเป็นคลื่นที่มันซัดออกจากฝั่งนะแล้วก็แรงมากมันเป็นกระแสน้ำเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวมากมันเกิดจากทะเลที่มันซัดเข้าฝั่งแล้วเนี่ยคลื่นทะเลมันซัดเข้าฝั่งแล้วเนี่ยมันมีบางจุดที่มันมีร่องลึกนะพอมันสะท้อนกลับมาเนี่ยมันก็กลายเป็น กระแสน้ําเชี่ยวที่ดึงทุกอย่างเนี่ยออกสู่ทะเลหมดเลยแกตกใจมากนะเพราะว่าถูกพลัดออกไปไกลสู่ท้องทะเลกว้างเรื่อยๆก็พยายามว่ายน้ําเขาหาฝั่งแต่กระแสน้ํามันแรงมากเชี่ยวมากเพื่อนที่อยู่เพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามช่วยก็ช่วยไม่ได้นะต้องต้องล่าถอยกันไปหมดตอนนั้นแกก็ว่ายว่ายพยายามว่ายเข้าฝั่งแต่มันยิ่งว่ายก็ยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆ ก็ตกใจมากนะแต่ถึงจุดหนึงก็รู้ว่ามันไม่ไหวแนละ้วหมดเดียวหมดแรงแล้วก็เลยหยุดเลยนะหยุดไหว้แล้วก็พร้อมแนละ้วคิดว่างานนี้ตายแน่ถ้าทำใจได้แกก็เลยนะเลิกไหว้นะลอยคอลอยคออยู่อย่างเดียวเลยรอว่าหมดแรงเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแหละตอนนั้นแกก็ว่าใจสงบมากเลยนะ มันไม่กลัวเลยสักพักก็รู้สึกว่ามีคลื่นมากระทบกับตัวเองก็เลยรู้เอาหลุดละนะรอดจาก้กระแสน้ําเชี่ยวนั่นแหละก็เลยพยายามลดลงกําลังว่ายน้ําเข้าหาฝั่งเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาช่วยแกไม่รู้ภายหลังว่านะมีคนตายเนี่ยตรงจุดนั้นอ่เยอะที่ตายเพราะว่ากลัวไงก็เลยพยายามว่ายเข้าหาฝั่งว่าเท่าไหรเท่าไหรก็สู้ ทานกระแสน้ำไม่ได้ก็เลยหมดแรงจมน้ำตายแต่ว่าความที่แกเนี่ยนะได้ตั้งสติได้รู้ว่าทำอย่างนั้นะก็ตายแน่ก็เลยยอมนะให้ความนิ่งการที่ไม่ไม่ดิน้นหลนเนี่ยมันก็ทำให้น้าเนี่ยพอมันพัดแกออกไปไกลเรนะื่อยในสุดท้ายมันก็มันก็หมดแรงนะกระแสน้ำก็หมดแรงตรงนั้นแกนก็เลยรอดตายได้ จริงถ้าแกมีความรู้หน่อยก็จะพบว่าอีกวิธีนึงที่ช่วยไนะคือไหว้ตัดกระแสน้ำนะขนานกับฝังเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกระแสน้ําเชี่ยวที่เป็นช่วงแคบแคบแต่นี่ก็เป็นติ๊ตัวอย่า ง, น, งนะที่ว่าเวลาคนเราเจอภัยเนี่ยบางอย่างเนี่ยลวมทั้งภัยธรรมชาติด้วยสู้ก็ไม่ได้นะหนีก็ไม่พ้นนะไอ้ความนิ่งเนี่ยนะมันช่วยได้ทีเดียวแต่การที่คนเราจะนิ่งได้ก็ต้องมีสติมากนะเพราะว่าสัญชตาตญาณเนี่ย มันมีแต่จะสู้กับหนีเท่านั้นแหละการที่คนเราจะเอาชนะสัญชาติยานได้เนี่ยอันบางครั้งสัญชาติยานก็ไม่สามารถจะช่วยเรารอดพ้นจากอันตรายได้ก็ต้องนะสามารถจะควบคุมอารมณ์ที่มันเกิดจากจากสัญชาติยานกันให้ได้เนี่ยก็คือการมีสติตั้งสติเอาไว้ระงับความกลัวระงับความตื่นตกใจที่พูดมานี่ก็เป็นธรรมชาติคือเป็ น, ปนภัยที่มันเกิดขึ้นจากนอกตัวนะ แต่ภัยที่มันคุกคามคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่นอกตัวอย่างเดียวนะมันยังสามารถเกิดขึ้นในใจเราด้วยพระเจ้าตรัสว่าอันตรายมีสองอย่างคืออันตรายที่เปิดเผยกับอันตรายที่ปกปิดนะอันตรายที่เปิดเผยก็เนี่ยสัตว์ ร, ร้ายคนร้ายนะภัยธรรมชาติหรือว่าอาหารที่เป็นพิษแต่ภัยที่เรื่องอันตรายที่ปกปิดก็คือเนี่ยความเศร้าความโกรธนะ ความหลงตัวหรือตนความอิจฉาพยาบาทนะความน้อยเนื้อต่ำใจไอ้พวกนี้ก็เป็นภัยอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งมันเป็นปัญหาของคนสมัยนี้มากภัยที่คุกคามจากภายนอกเนี่ยชนิดที่ทำลายร่างกายเป็นอันตรายถึงชีวิตเนี่ยมันก็มีน้อยลงนะสิงสารสาัตว์สัตว์ร้ายงูพิษแล้วนะก็มีน้อยลงนะก็มีแต่คนร้ายหรือว่ารถยนต์นะที่มันเพ่นพ่านอยู่ตามถนน แต่ที่เราเจอ บ, บ่อยๆเจอประจำหรือกำลังเป็นปัญหายอยู่ทุกวันนี้ก็คือภัยที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราซึ่งไม่ใช่มีแต่อารมณ์ที่เป็นอกุศลเท่านั้นนะรวมถึงความคิดด้วยคิดลบคิดร้ายให้พวกนี้เนี่ยนะเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ทุกข์นะความโกรธความเศร้าความท้อแท้ความเนื้ อ, อต่ใจความเบื่อหน่ายความรู้สึกอดทูสิ้นหวัง แต่ก็สัญชาตญาณของคนเรานะมันก็คล้ายๆกับเวลาเจอแผ่คุกคามจากภายนอกนะเราก็จะใช้วิธีสู้กับหนีเราอยู่เฉยไม่ได้นะแต่จริงแล้วการอยู่เฉยเนี่ยนะการอยู่นิ่งๆนงเนี่ยอาจจะดีกว่าได้ซ้ําหลายคนพอมีความโกรธก็พยายามไปกดข่มความโกรธเอาไว้พอมีความเศร้าความเฉืยใจก็พยายามกดข่มพยายามพยายามไม่คิดนะถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปพยายามไปกดข่มความคิดที่ไม่ชวนทําไม่เศร้า ชวนให้โหตูหเววลามีความเงาก็พยายามไปสู้กับมันนะสู้ออกับความเงาสู้ออกับความง่วงนะซึ่งบ่อยครั้งก็สู้ไม่ได้นะบางทีมีความคิดลบคิดร้ายก็ไปกดมันนะเช่นปฏิบัติแล้วใจมันฟุ้งซ่านก็ไปพยายามไปกดข่มความคิดบางคนมันมีความมันมีคาพูดนะออกมาในใจมีเสียงดังอยู่ในใจ เป็นเสียงที่จ่วงจากครูบาอาจารย์บ้่งจ่วงจากพ่อแม่บัางจ้วงปราจากพระัตนาไตรบงังคนที่มีปัญหาแบบนี้มีไม่น้อยนะคนที่หลายคนคิดว่ามีแต่ตัวเองที่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าให้พอให้พูดเปิดเผยกันนะก็ปรากามีเยอะทีเดียวที่มันมีความคิดดังขึ้นมาในใจดังขึ้นมาในหัวต่อว่าพ่อแม่จ่วงจากครูบาอาจารย์ดูหมิ่นพระรัตนตรยัย แล้วหลายคนก็พยายามใช้วิธีกดข่มมันพยายามสู้กับมันอันนั้นมันไม่ได้ผลนั่นนะวิธีที่ดีกว่านั้นคือว่าดูมันนะดูมันเฉยๆการที่จะดูมันเนี่ยก็คือการที่ใจเรานิ่งนี่ยไม่สู้ก็ไม่หนีะดูมันดูด้วยอะไรดูด้วยสตินะใช้สติเข้าไปให้การไปกดข่มมันเนี่ยมันไม่ได้ผลเวลามีความโกรธไปกดข่มความโกรธโอ้มันอาจจะหายไปชั่วคราวนะ แต่เผลอปุ๊บมันก็โผล่มาใหม่ความคิดฟุ้งซ่านเหมือนกันนะฟุ้งซ่านคิดร้อยแปพอไปกดมันมันก็หายไปชั่วคราวแล้วมันก็โผล่มาใหม่บางทีโผล่ตอนที่เราเผลอความคิดลบคิดร้ายจ้องจับสิ่งที่เรานับถือเนี่ยนะไปกดมันเอาไว้ไปห้ามไม่ให้มันคิดมันก็ไม่ได้ผลนะมันกลับยิ่งมีเรี่ยวมีแรงมีพลังมากขึ้นและคนไม่รู้ว่าพอไปกดไปข่มมันเนี่ยทำให้มันมีพลังมากขึ้น หรือพอไปหวนนึกถึงมันบ่อยๆไม่ว่าจะนึกถึงมันเพื่อทียมนีหรือเพื่อสู้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเติมพลังให้มันเหมือนกับมีกองไฟอยู่แล้วเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้มันมอดดับเองก็ไปเติมเชื้อเติมฟืนให้มันมันก็ยิ่งลุกโรรงมากขึ้นเมื่อเจออย่างนี้นะลองไม่หนีไม่สู้นะแต่ว่าดูมันแค่ดูมันเฉยๆแต่ไม่ใช่จ้องมันนะถ้าผืนไปจ้องมันก็ อาจจะโดนมันดูดได้อารมณ์พวกนี้มันมีพลังในการดูดมากเลยพยายามไปกดข่มมันมันก็กลับดูดเราให้จมเข้าไปในอารมณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าหรือแม้แต่ความเจ็บความปวดเวลาปวดเ ว, เวลาเมื่อเนี่ยไปดูไปจ้องมันเนี่ยดูไม่เป็นนะไปจ้องมันมันก็ดูดนะจิตให้เข้าไปเป็นผู้ปวดเลยนะถ้าดูเนี่ยมันจะเห็นความปวดนะแต่ไม่ใช่ผู้ปวด ถ้าดูเฉยๆเนี่ยมันจะเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธนะแต่พอดูไม่เป็นหรือว่าเขาไปก็ไปกดขมมันปัญหาก็ยิ่งลุกลามมากขึ้นเคยมีคนถามหลวงปูดดนนะป่ดูลนะหลวงปู่ดูลนตุลโลซึ่งเป็นสิทธิ์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มัน่นถามว่าทําไงจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่ตอบว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันก็จะดับไปเอง อารมณ์หรือภัยที่เกิดขึ้นในจิตใจตเนี่ยมันมันไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันก็ไฟเนี่ยไฟนี้มันมันลุกถ้าเราปล่อยมนันสักพักเนี่ยมันก็ดับไปเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่ทําอย่างนั้นนะกลับไปเติมเชื้อเติมฟืนให้มันมันก็เลยลุกโรลงอยู่เรื่อยๆไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เศร้าก็ยิ่งเศร้าหนักขึ้นไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้โกรธหรือคนที่ทําให้เราโกรธก็ยิ่ง โกรธหนักขึ้นไปคิดถึงงานที่ยังค้างคาอยู่ก็ยิ่งรู้สึกกังวลมากขึ้นลองฝึกดูมันนะฝึกดูมันเฉยเฉยแค่รู้ทันนั้นก็พอแล้วธรรมชาติคนเราเนี่ยมันอย่างที่บอดนัมันพยายามสู้กับหนีมันพยายามมีปฏิกิริยาให้การที่อยู่นิ่งๆที่จริงเป็นเรื่องง่ายนะการอยู่นิ่งๆการดูมันเฉยเฉยเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายเพราะไม่ต้องทําอะไรเลยแต่มันกลับกลายเป็นเรื่องยากสําหรับหลายคนเพราะว่า ชอบไปมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆนะที่ไม่ชอบที่จริงมีปฏิกิริยากับทุกอย่างนะถ้าชอบก็เข้าหาหวังครอบครองถ้าไม่ชอบก็ผลักไสถ้าผลักไสหรือสู้ไม่ได้ก็หนีเราสะสมสั่งสมปฏิกิริยาแบบนี้มานานนะซึ่งมันก็ใช้ได้ผลนะกับปัญหาบางอย่างแต่ปัญหาบางอย่างนี่มันสู้ด้นหนีไม่ได้เช่นกาลัง กำลังสอบเนี่ยกำลังทำข้อสอบเนี่ยโอยข้อสอบนี่มันยากมันก็เป็นปัญหานะแต่จะสู้ก็ไม่ได้สู้หมายถึงการใช้กำลังนะใช้กล้ามเนื้อเนี่ยสู้กับสัตว์ ร, ร้ายสู้กับคนร้ายมันก็ใช้ไม่ได้จะหนีก็หนีไม่ได้นะต้องทนอยู่กับสถานการณ์อย่างนั้นมีความขัดแย้งในที่ประชุมมีความขัดแย้งในครอบครัวจะสู้คือต่อยตีนะใช้กาลังก็ไม่ได้จะหนีก็ไม่ได้ พอหนียังไงมันก็ตามไปมันตามในหัวเงี้ยบางทีหนีมาวัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดถึงปัญหาที่บ้านคิดถึงปัญหาที่ทำงานเราจะทำยังไงตามมันมันตามมาถึงนี่อะ่ะก็ต้องดูมันนะให้ความคิดเนี่ยคิดถึงงานคิดถึงบ้านคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นทุกข์เพราะคิดนะให้ความคิดนี่มันก็เป็นภัยที่ทำร้ายเราทาให้เครียดทาให้วิตกกังวลทาให้กลุ่มใจ เพราะคิดในหละที่ทำให้คนเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะมันคิดแล้วคิดเล่าจนกระทั่งหาทางออกจอากความคิดไม่ได้พยายามกดข่มมันเท่าแล้วก็ไม่ได้พยายามกินยาเพื่อไม่ให้มันมันคิดมันก็ได้ผลชั่วคราวแต่มีสิ่งนที่ทำได้คือการมีสติดูมันดูมันเรามาปฏิบัติเนียนนะเรามาฝึกนะวิธีนี้ดูคือ ม, มาดูนะเริ่มจากดูกายก่อนนะดูกาย แต่ไม่ต้องไปจ้องที่มือที่เท้านะแค่ให้ให้ดูหรือรู้ทั่วๆกายทําอะไรก็รู้นะรู้กายเคลื่อนไหวพอใจมีคิดนึกอะไรก็รู้ทันมันไม่ต้องไปกดข่มความคิดแล้วก็ไม่ตามมันเวลามีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็มักจะตามมันไปหรือถลําเข้าไปในความคิดพอมาพอมารู้ว่าความคิดมันมีโทษนะก็ไปกดข่มมันมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน ลองนะลองฝึกเป็นผู้ดูเหมือนกับเราดูกระแสน้ำที่ไหลอยู่ข้างหน้ากระแสน้ำอาจจะพัดพาอะไรมาก็แค่ดูเฉยเฉยบางทีมันมีเรือสำราญผ่านมาก็ดูเพ่เฉยไม่ต้องโดดขนะคือไปขึ้นเรือบางทีมีหมาเน่าลอยน้ามาก็ดูเฉยเฉยไม่ต้องเอาอะไรไปไปรันไปแย่ไปไปไปเคียมันนะแค่ดูเฉยเฉยนะไม่ยินดีหรืร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ผ่านมาข้างหน้า นะผู้เจ้าเปรียบนะว่าการมีสติเนี่ยเหมือนกับการที่ยืนอยู่บนหอคอยแล้วก็ดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นข้างล่างนะเป็นแค่ผู้ดูเป็นผู้สังเกตเฉยๆนะไม่ไปไม่ไปยินดีหรินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันง่ายนะเพียงแค่ดูเฉยๆนะระหว่างการนั่งอยู่ริมน้าแล้วก็ดูกระแสน้ำไหลดูสิ่งต่างๆทีนะ่ผ่านมาต่อหน้าเนี่ย มันสบายกว่าไปไปไปทำอะไรกับสิ่งที่ผ่านข้างหน้าไม่ต้องไปเอาไม้ไปแย่ไม่เอาไม้ไปเคลียไม่ต้องไปโจรลงไปในน้ําเพื่อที่จะไปยึดครองสิ่งที่มันผ่านข้างหน้าให้เรือว่างผ่านมาก็ไม่ต้องไปพยายามไปเอามันมาไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าคลองมันก็ปล่อยให้มันผ่านเลยไปให้การดู นะหรือการอยู่นิ่งๆเนี่ยนะมันง่ายกว่าเยอะแต่คนเราไม่ค่อยอยากจะทำสิ่งที่ง่ายๆชอบทำสิ่งที่ยากมันก็เลยเป็นปัญหาวิธีการเจริญสติเนี่ยนะแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยที่จริงก็เป็นวิธีการที่ครูบาอาจารย์หลายท่า น, น, นก็สอนกันมานะแต่ไหนตะไรมารวมทั้งที่ผู้เจ้าก็สอนอย่างนี้ด้วยคือการาดูเฉยๆดูกายนะดูเวทนาดูจิตแล้วก็จะเห็นธรรม ไม่ต้องไปทำอะไรกับกายนะไม่ต้องไปควบคุมกายกายมันทำอะไรนะก็เออก็ให้รู้ว่ามันทำมันเดินก็รู้ว่ามันเดินมันนั่งก็รู้ว่ามันนั่งนะมันเวลาอาบน้ำถูฟันเก็บที่น้อยก็รู้ว่าอ่ากำลังทำอย่างนั้นอย่างนั้นเวลาใจคิดนึกก็ดูนะเห็นความคิดเกิดขึ้นอ่านะก็ดูเฉยเฉยแต่หมายหมก็ดูไม่เป็นนะนะก็คิดว่าดูแต่ก็ไปจ้องมัน หรือบางทีก็ไม่ได้ดูก็ไปกดข่มมันใหม่ๆจะเป็นอย่างนั้นนะจะพยายามไปกดข่มความคิดไปห้ามความคิดแต่ว่าพอเราทําไปทําไปเราก็จะเริ่มนะวางใจได้ถูกใหม่ๆมันก็ทําไปตามสัญชาตญาณเดิมนะก็คือว่ามีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าเกิดขึ้นข้างนอกหรือเกิดขึ้นข้างในเกิดขึ้นข้างไหนก็ไปกดข่มมันถ้าดูมันเฉยๆไอการที่เราเห็นมันเนี่ยนะ มันก็จะทำให้มันหมดพิษสงลงอารมณ์พวกที่มันมีจุดนอนอย่างน้คือมันกลัวกลัวถูกเห็นกลัวถูกรู้ทันพอรู้ทันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะจะหนีไปนะจะดับไปเหมือนกับผู้ร้ายเนี่ยที่แอบเข้ามาในบ้านจะลักขโมยเข้าของในบ้านของเราแต่ทันทีที่เราเห็นมันสบตามันนะมันก็ยอมแพ้ก็ล่าถอยหนีไปเอง ไม่ต้องไปตีทันสันแทงไม่ต้องไปซื้อรบตกมือไอ้ผู้นี้มันรู้อยู่แล้วว่ามันแอบเข้ามาคนที่ลักลอบเข้ามาก็กลัวกลัวถูกเห็นกลัวถูกรู้นะลองฝึกนะฝึกเป็นผู้ดูผู้เห็นเฉยๆนะไม่ต้องไม่ตามมันแล้วก็ไม่ต้านมันไอ้ที่เคยตามมันพอเป็นนิสัยนะก็ให้มีสติรู้ทัน ไอ้ที่เคยต้านมันที่เคยผักสายมันเป็นปฏิกิริยาที่ทาโดยสัญชาตญาณก็ให้รู้ทันมันแต่ใหม่ๆก็ให้มาดูกายก่อนนะอย่าเพิ่งไปไปไปดูใจไปดูความคิดเพราะว่าดูไม่เป็นก็ถูกมันดูดนะมันเหมือนกรบหลุมดำที่ดูดมีพลังในการดูดมากนะดูดใจแล้วเข้าไปในอารมณ์นั้นเข้าไปในความคิดนั้นให้ดูดูกายก่อนนะก็คือรู้กายนะ ใจมันจะลอยไปไหนก็กลับมาที่กายกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวรู้หรือรู้สึกว่ากายกําลังทําอะไรพอยกมือเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามือกลาลังยกพอเดินก็รู้สึกว่ามือกลาลัง อ, อ้าวพอเดินก็รู้สึกว่าเท้ากําลังเดินไอความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเครื่องเครื่องบอกว่าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวพอถ้าใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่รู้สึกกันะยกมือก็ไม่รู้สึกเดินก็ไม่รู้สึกไม่ต้องพูดถึงลมหายใจไม่ต้องพูดถึง อาการกระพริบตาหรือเกลื่นน้ำลายยิ่งไม่รู้สึกใหญ่แต่พอใจอยู่กับเนกับตัวนะยกมือก็รู้ว่ารู้สึกว่ายกมือเดินก็รู้สึกว่ายกเดินก็รู้สึกว่าเดินถูฝาน้ำน้ำนะก็รู้สึกว่ามือมัอมนเคลื่อนไหวกินข้าวก็เหมือนกันอันนี้พราะใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆเนี่ยความรู้สึกตัวเกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเวลาเผลอคิดเผลอ น, นึก จมอยู่ในอารมณ์ก็จะรู้สึกตัวได้ไวขึ้นอันนี้พราะสติมทางานได้ไวสติ ม, มรู้ทันอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นได้ไวขึ้นและสตินั้นเราก็จะพาจิตนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วความสึกตัวทั่วพร้อมก็จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเกิดขึ้นต่อนเนื่องก็เกิดความเบาความสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะลองนะพยาพยามพยายามพยายามดูพยายามรู้นะ ทั้งกายและใจให้ต่อเนื่องนะไอ้ที่เคยเคยตามความคิดนะก็ให้รู้ทันมันไอ้ที่เคยต้านอารมณ์กดข่มความคิดก็ให้รู้ทันมันเอาชาติที่ผูกกเท่านี้นะกระครับ